อันนี้จะมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเรื่องที่ตรัสแก่พระอานนท์ที่ <c oughs> <c oughs> ที่จะมีคือข้อที่ในโลกธาตุอันเดียวจะมีพระตถาคตคือข้อที่ <c oughs> จะมีพระนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ผู้อลันตสัมมาสัมพุทธะ <c oughs> พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายต่อว่าภิกษุทั้งหลาย <c oughs> เรื่องต่อไปก็ตรัสกับ 4 อย่าง 4 อย่าง 1 ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในกรรมคุณยินดี ไม่เคยมี 1 มีขึ้นมาเพราะการบังเกิดของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะไม 2 ภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายพอใจในการถือตัวยินดีในการถือตัวบรรเทิงอยู่ ก็ฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้า 3 ภิกษุทั้ง พอใจในความวุ่นวายไม่สงบยินดีในความวุ่นวายไม่สงบบรว Kelsey ประชาชนเหล่านั้นก็ฟังเงี่ยหูฟังตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจทั่วถึงภิกษุทั้งหลายนี่คือของนาอสจันจริงไม้เคยมี อย่างมีขึ้นมา 3 มี 4 ภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายประกอบอยู่ ตั้งใจฟังเพื่อให้เข้า 4 มีขึ้น <c oughs> เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคําพูดของตถาคต <c oughs> เพื่อความสุขของชนเป็นนั้นมากความสุขของชนเป็นนั้นมากเพื่ออนุเคราะห์เพ เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ ระเบียบวินัยของท่ามกลางและที่สุดสุคตนั้นคืออะไรเล่าคือตถาคตนั้นประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะ <c oughs> พิษทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ ปรินิพพานแล้วแต่ระเบียบวินัยของพระสุคตยังมีอยู่อะไรคือระเบียบวินัยของพระสุคตหรือพระตถาคตก็คือธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่ต้นท่ามกลาง พร้อมทั้งอรรถธรรมพร้อมทั้ง 60 รูปนําไปประกาศนั่นก็คือพระญาติทั้งด้วยอรรถธรรม แต่เมื่อการประกาศมันนานมานานมาเมื่อการประกาศมันนาน <c oughs> 10 ก่อนพุทธประวัติ